คืออย่างโลกของเราเนี่ยย24ชั่วโมงใช่ไหมหมุนครบหนึ่งรอบก็นับหนึ่งวันแต่ดาวศุกร์เนี่ย243วันนะกว่าจะครบหนึ่งรอบล้ปีบนดาวศุกร์เนี่ย225วันเองคือมันโคจ ร, รรอบรอบดวงอาทิตย์เนี่ย225วันวแต่โคดหมุนรอบตัวเองเนี่ยดันนานกว่าโคจรรอบดวงอาทิตย์ซะอีกหนึ่งวันนานกว่าหนึ่งปีมันพิลึพ์พิลั่นมาก you're listening to the standard podcast the eye opening experience For your ears. ได้ได้ในโลกล้วนฟิสิกส์ s อ o แคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดเนที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว กันนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยก็ใกล้กันกับโลกด้วยแต่ว่าอะไรที่ทําให้ดาวสุกเนี่ยไม่ถูกมองว่าจะเป็นอนาคตของดาวที่เราจะไปใช้ชีวิตอยู่กันเหมือนกับดาวอังคารที่ป๊อปูล่ามากๆเลยนะคะตอนนี้ดาวสุกเนี่ยอยู่ยากยังไงมาคุยกันในใดๆในโลกโลนฟิสิกส์ในตอนนี้ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัชโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอัรุวะรงจันทมาศครับถ้าเราเอาแบบใกล้ตัวเลยพี่ปองแปงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอะไรอย่างนี้นะเราจริงๆแล้วเราเห็นดาวสุกได้ไหมคะ เฮ้ยดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่ดูง่ายมากเลย oh. ผมผมมองว่าเป็นดาวแรกๆสำหรับคนที่อยากจะหัดดูดาวนะฮะ mm. คือเอาอย่างนี้สว่างสุดบนท้องฟ้าคือดวงอาทิตย์ mm. รองลงมาก็คือดวงจันทร์ที่มันเต็มดวงเนาะ <Ha. S 1> อันดับสามคือดาวศุกร์นะหมายความว่ามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไหมใช่และสว่างเป็นวัตถุธรรมชาติที่สว่างเป็นอันดับ3 oh. รองจากแค่ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ แต่เราจะแบบได้รับการสอนว่าถ้าหลงทางให้มองหาดาวเหนือไม่ใช่ดาวเหนือหรอคะที่สว่างดาวเหนือไม่สว่างนะครับ <G ül> ไม่สว่างอันนี้ไว้ทําตอนดาวเหนือแล้วกันแต่ว่าดาวเหนือเนี่ยไม่ได้สว่างขนาดดูง่ายขนาดนั้นปัญหายากอ ม, มันหาค่อนข้างยากทีเดียวแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนตําแหน่งเราก็เลยใช้นําทางแต่ดาวศุกร์เนี่ยสว่างแล้วก็เห็นได้ไม่ยากดาวศุกร์เนี่ยความสว่างของมันเนี่ยทำให้หลายๆครั้งเนี่ยนะครับเวลาเห็นตอนพลบค่ํา หัวค่ำอ่ะแล้วก็รุ่งเช้าเนี่ยคนไทยก็มีชื่อเรียกเนาะบางทีก็เรียกเป็นดาวประจําเมืองมั่งดาวประกายพฤกษบ้าง like อะไรแบบนี้นะครับการที่เราเห็นดาวสุกเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่เราเห็นได้แค่ช่วงพลบค่ําคือช่วงหัวค่ากับช่วงรุ่งเช้าเท่านั้นอ <broadly S 3> <jas? S 2> เราเห็นตอนอตอนเที่ยงคืนไม่ได้นะทําไมห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเห็นไม่ได้แปลกไหมแปลกอืมทาไมใช่ไหมอืมคำตอบก็คือพระดาวสุกรทุกวันนี้เรารู้นะว่ากลางระบบสุริยะก็คือดวงอาทิตย์ แล้วก็พุทธแล้วก็สุกแล้วก็โลกดาวสุกมันใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกดังนั้นมันก็ไปกับดวงอาทิตย์ตลอดดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนดาวสุกก็ไปตรงนั้นพอดวงอาทิตย์ถูกบังคือมันเริ่มพลบค่ําค่ะถ้าดาวสุกมันแหลมขึ้นมาเราก็เห็นมันช่วงพลบค่ําแต่ถ้ามันแหลมขึ้นมาก่อนช่วงรุ่งเช้าเราก็จะเห็นเกาะอยู่ใกล้ๆกับดวงอาทิตย์นะครับค่ะ จำได้ว่าเวลาไปเหมือนท้องฟ้าจําลองเนี่ยเขาก็จะมีบรรยายว่าพอพระาอาทิตย์แบบว่ารา<อ>ัาบขอบฟ้าก็จะจาได้แหละก็จะมีแบบดาวประจาเมืองอะไรเงี้ยมีคำอย่างเงี้ยพูดขึ้นมามแล้วทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วมันสําคัญกับการศึกษาทางดาราศาสตร์ยัยงไงอะคะโอ้สำคัญมากสําคัญมากๆทั้งในยุคโบราณและในยุคสมัยใหม่ อ, มอายุคโบราณก่อนดาวศุกร์เนี่ยมันสว่างเนาะก็ คนที่เอากล้องโทรทัศน์ไปส่องดาวสุกแล้วก็ศึกษาอย่างละเอียดคนแรกๆเลยนะครับก็คือคุณกาลิเลโออีกแล้วกาลิเลโอเนี่ยพูดไปพูดไปก็จะเจอบ่อยเหมือนไอแซคนิวตันนะเออสองคนนี้โผมมาเรื่อยๆกาลิเลโอเนี่ยเอากล้องโทรทัศน์ไปส่องดาวสุกแล้วดันไปเจอปรากฏการที่ดาวสุกเนี่ยมันปรากฏเป็นเสี้ยวบ้างปรากฏใกล้ๆเต็มดวงบ้างหน้าตามันจะคล้ายๆดวงจันทร์ค่ะ แบบบนี้ครัเหมือนดวงจันทร์เลยอะคือถ้าแบบไม่บอกก็จะรู้สึกว่าเป็นเซี่ยวพระจันทร์หรือเปล่าอ่าคล้ายๆดวงจันทร์เนาะทีนี้เห็นมันเป็นเซี่ยวแบบนี้แล้วมันบอกอะไรเราอะ่ะอื ม, มันก็สวยดีอะแต่แบบกาลิเลโอไม่จบฮะเขาก็ใช้ความเป็นเซี่ยวเนี้ยมาวิเคราะห์แล้วก็คุ่นคิดอจนพบว่าการที่มันจะเป็นเซี่ยวในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อดาวสุกโครจรรอบดวงอาทิตย์เท่านั้นอืม ลองดูรูปนี้ครับในรูปนี้ข้างบนนะฮะก็คือแบบจําลองที่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางระบบสุริยะเนาะจะเห็นว่าดาวศุกร์เนี่ยที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยตอนที่มันอยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์เนี่ยพื้นที่รับแสงมันเยอะมันก็จะเกือบๆเต็มดวงพอมันมาด้านหน้าดวงอาทิตย์มันก็จะเซี่ยวกวางๆดังนั้นดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นเซี่ยวแบบเนี้ยมันจะต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์อมันขัดกับความเชื่อยุคโบราณที่ว่าทุกอย่างจะต้องโคจรรอบโลก ยุคกรีกเก่าๆจริงๆเนี่ยโลกจะเป็นเซ็นเตอร์ของการโคจรของทุกสรรพสิ่งแต่นี่ไงดาวศุกไม่เห็นโคจรรอบโลกเลยกาลิเลโอก็เห็นละจากเซี่ยวของดาวสุขนะครับแบบจําลองโบราณเนี่ยมองว่าดาวสุขโคจรรอบจุดสมมุติบางจุดที่อยู่ด้านหน้าดวงอาทิตย์แบบนี้แล้วก็โคจรรอบโลกอีกทีดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไม่ปรากฏแบบเกือบเต็มดวงเป็นอันขาดแต่นี่เราเห็นบางครั้งลักษณะเซี่ยวของมันเป็นปรากฏเกือบเต็มดวงขึ้นมา ซึ่งมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมันโคจรไปหลังๆดวงอาทิตย์ก็คือเหมือนเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยแหละใช่คาริโอเนโอนี่ฉลาดเนอะเออเจ๋งมากเลยค่ะแล้วทุกวันนี้คนจะพูดถึงเรื่องของการย้ายเนาะย้ายจากโลกไปอยู่ดาวอังคาอะไรอย่างนี้แต่จริงๆถ้ามาดูดาวศุกร์แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับใกล้เคียงกับโลกเราด้วยขนาดด้วยตําแหน่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วทําไมเราถึงไปอยู่ที่ดาวศุกร์ไม่ได้คะคือทุกวันเนี้โปรเจกต์การศึกษา ที่แสดงให้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้จะไปโค l o n i z e หรือไปอยู่นะครับตั้งรกรากอนานิคมเนี่ย ม, มักจะพุ่งเป้าไปที่ดาวอังคารทั้งที่ดาวอังคารเนี่ยนะตัวตัวมวลของมันเนี่ยน้อยกว่าโลกพอสมควรเลยดังนั้นแรงโน้มถ่วงก็น้อยกว่าไปอยู่ในดาวที่แรงโน้มถ่วงน้อยๆเนี่ยจริงๆไม่เป็นผลดีต่อร่างกายมากนะครับแต่ดาวสุกเนี่ยขนาดก็ใกล้เคียงกับโลกแล้วก็แรงโน้มถ่วงก็ใกล้เคียงกับโลกอ ม, มันก็น่าจะโอเคสิอมไม่โอเคเลย ไม่โอเคเลยในระดับแบบมันไม่น่าอยู่เลยค่ะยังไงคะ่ะอย่างแรกเลยนะครับดาวศุกร์เนี่ยมันร้อนมาก ม, มันร้อนถ้าโดยเฉลี่ยนะมันร้อนกว่าดาวพุธอีกดาวพุธนี่ติดดวงทีก็จริงแต่ด้านด้านหลังของมันเนี่ยมันเย็นจัดเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันคือ เราอาจจะได้ทําซีรีส์เกี่ยวกับระบบสุริยะนะเราพูดถึงดวงอาทิตย์ไปแล้วใช่ไหมมีไปดวงจันทร์ใช่ไหมครับดาวเสาร์นี่ตอนก่อนหน้านี้ใช่ไห ม, อ, มอ่ะวง น, นี้เราทําดาวศุกร์ต่อไปถ้าทําครบเนี่ยเราอาจจะทำเป็นไกด์ทัวร์ระบบสุริยะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เ, เก็บให้ครบ <c oughs> เออเก็บให้ครบเนาะทีนี้ดาวพุธมันใกล้กว่าแต่โดยเฉลี่ยมันดันไม่ร้อนเท่าดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ย400องศาเซลเซียสโห400องศาคือมันร้อนจนตะกั่วละลายอะความร้อนของมันเนี่ย เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกแบบกูไม่กลับ run away greenhouse greenhouse effect หมายความว่าก็เป็นปรากฏการณ์เดียวกันกับที่เราตั้งเผชิญอยู่บนโลกเหมือนกันแต่เป็นเลเวลที่รุนแรงมากโหรุนแรงมากคือบรรยากาศของดาวศุกร์เนี่ยประกอบไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับความหนาแน่นโหเยอะกว่าโลกมากๆเลยทีนี้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเป็นกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งมันจะคอยเก็บกักความร้อนไว้ลองนึกภาพรเราไปอยู่หน้ากองไฟอื ร้อนใช่ไหมแต่ดาวสุกเนี่ยเหมือนคนที่ไปอยู่หน้ากองไฟแล้วห่มพ้าห่มอีกทีนึงอ๋อคือระบายออกไม่ได้ด้วยออกไม่ได้เลยคราวนี้เก็บเอาไว้เก็บไว้ร้อนรุ่มเลยนะครับภาษาอังกฤษของดาวสุกคือ Venus เนาะ v ส n u s จะเป็นเทพีแห่งความรักนะครับแต่เป็นความรักที่ร้อนรุ่มมากมันร้อนมากดังนั้นดาวสุกก็สุกสมชื่อนะครับสุกแบบสอเสือสลูกกอไก่อ่ะคือร้อนจัดเลยดังนั้นด้วยแง่เนี้ย ไปอยู่เนี่ยลำบากมากอยู่ยากและอยู่ยากมากเครื่องปรับ อ, อากาศน่าจะทํางานไม่ไหวครับอนอกจากอุณหภูมิที่ร้อนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้มันอยู่ยากอีกไหมค ะ, ะมีแน่นอนจริงๆเรื่องอุณหภูมิเนี่ยถ้ามองในแง่ที่น้องฟางพูดตะกี้ดีนะที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับปรากฏการ Climate Change, ์ไคล m a t e Chan ินคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกเราก็ก็เริ่มเริ่มเยอะนะมันก็เริ่มร้อนๆขึ้นมาก็ส่งผลเยอะแล้วดังนั้นการศึกษาทุกวันนี้ดาวสุกเป็นเหมือนแบบจําลองที่ดี ที่จะช่วยทํานายในระดับหนึ่งนะฮะว่าถ้าคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกเราเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมันจะไปตันที่ดาวสุกเมื่อไหร่อย่างไรอะไรพวกเนี้เหมือนเห็นภาพอนาคตได้นิดนึงใช่ถ้าเกิดว่ารุนแรงถ้ามันรุนแรงมากจริงๆดังนั้นมันเป็นเหมือนกลุ่มตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราสร้างแบบจําลองได้แม่นขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์ในการศึกษาะนะครับปัจจัยที่2ก็คือฝนฮนะฝนฝนบนดาวสุกครับฝนบนดาวสุกเนี่ยแทนที่จะตกลงมาให้เราชื่นใจฝนบนดาวสุกเนี่ยเป็นกรดซัลฟิวริกเป็นฝนกรด ฝนกรดที่มีความรุนแรงนะครับเอาเป็นว่าปกติถ้ามองจากโลกเนี่ยหรือโคจร อ, อยู่รอบๆดาวศุกร์เนี่ยบรรยากาศมันค่อนข้างหนาแต่การจะเข้าไปมองเห็นผิวมันเนี่ยบางทียานที่ลงไปจอดเนี่ยมันทํางานได้ไม่นานนะครับมันพังเร็วมากเลนเลนอะไรหลุดออกมา<อ>แบบไอร้อนี่ส่วนหนึ่งแต่ฝนเป็นกรดเนี่ยทํางานไม่ค่อยได้นานทำทำไมฝนที่ดาวศุกร์ถึงเป็นกดรดนะคะมันมันต่างจากโลกยังไง อากาศของโลกเราเนี่ยองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สในโดเรนแล้วก็มีไอน้ํามีอะไรมาทําหน้าที่เป็นฝนเป็นเมฆเป็นอะไรพวกเนี้นะครับแต่ดาวสุกเนี่ยองค์ประกอบส่วนใหญ่ของของอากาศบนดาวสุกเนี่ยเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีกรดซัลฟิวริกเนี่ยเป็นเหมือนเมฆเป็นอะไรแบบนี้นึกออกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีกรดซัลฟิวริกเป็นองค์ประกอบมันก็ตกลงมาเป็นเป็นกรดอน่าอยู่ไหมฮะอยู่ยากและเข้าใจแล้วว่าอ๋อทําไมถึงอยู่ยาก แล้วปัจจัยที่สามที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของวันบนดาวศุกร์ยังไงคะอย่างงี้ครับกว่าดาวศุกร์จะหมุนครบรอบตัวเองครบหนึ่งรอบเนี่ยคืออย่างโลกของเราเนี่ยยีิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมหมุนครบหนึ่งรอบก็นับหนึ่งวันแต่ดาวศุกร์เนี่ย2องสิบสาวันนะกว่าจะครบหนึ่งรอบหมายถึงว่า2องี่บสาวันของโลกเนี่ยจะเป็นหนึ่งวันบ น, บนดาวศุกร์อลองนึภาพเราไปใช้ชีวิตบนนั้นอะ นาฬิกงนาฬิกาบอดี้คร็อกอะไรเพี้ยนจนกูไม่กลับเหมือนกันแล้วปีบนดาวศุกร์เนี่ยสองรอยี่สิบห้าวันหนึ่งอ้าวทไมคือมันโคจรรอบรอบดวงอาทิตย์เนี่ยสองรอยิบห้าวันแต่โคดุนรอบตัวเองเนี่ยดันนานกว่าโคจรรอบดวงอาทิตย์ซะอีกหนึ่งวันนานกว่าหนึ่งปีมันพิลึกพิลั่นมากเราต้องปรับตัวจนเรียกได้ว่าไม่น่าจะปรับไหวอะฮะแปลกไหม แปลกมากเลยค่ะอมไม่เคยรู้แล้วอย่างนี้หมายความว่ามันดูมันดูเป็นไปไม่ได้เลยอะที่ที่จะเป็นดาวในอนาคตที่มนุษย์จะไปอยู่หรืออะไรแบบนี้แต่ว่าอปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าปรากฏการณ์เลนกระจกอะไรเงี้ยนะคะที่บนดาวศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีสิทธิ์ที่จะดีขึ้นหรือว่าถูกพัฒนาให้มันโอเคขึ้นไหมถ้าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันจริ ง, รงๆเราทําไม่ได้คือ เราเราจะไปปรับดาวสุกให้มันอยู่ได้เนี่ยคงยากมากมเลยแต่ว่ามันก็มีสาขาวิชาที่พยายามศึกษาเรื่องนี้อยู่นะเขาเรียก planet engineering โ<ห>วิศวกรรมดาวเคราะห์เทพมากเทพไหมเหมือนเราอยากทําให้ดาวอังคารเนี่ยมันอยู่ได้ก็มีวิธีบางอย่างนะครับดาวสุกเนี่ยก็มีคนนําเสนอวิธีการต่างๆเพื่อทําให้มันอยู่ได้มากขึ้น อ, อะไรแบบนี้แต่มันคงใช้พลังงานเยอะอาจจะไม่คุ้มหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเล่นๆว่าในอนาคตถ้ามนุษย์เรา ล้นจนไม่ไหวแล้วหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปอยู่ดาวสุกสักวันหนึ่งก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ซัพพอร์ตอยู่ใช่ planet engineering น ะ, ะแต่แต่สาเหตุที่ทำให้ดาวสุกอยู่ไม่ได้ยังไม่หมดเท่านี้นะค่ะมีอะไรคะยังมีการที่ดาวสุกเนี่ยบนผิวดาวเนี่ยมันเป็นดาวเคราะห์ที่มีภูเขาไฟเยอะมากอืมคือนอกจากร้อนอยู่แล้วอ่ะก็ยังมีภูเขาไฟที่ร้อนแล้วยังไม่พอฝนก็เป็นกรดวันเดือนปีก็แปลก มีภูเขาไฟอีกภูเขาไฟเยอะมากแล้วภูเขาไฟพวกนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นมันปะทุ ข, ขึ้นมาเลยสักครั้งเดียวไม่มีใครเคยเห็นนะแต่งานวิจัยล่าสุดเนี่ยเราค้นพบหลักฐานทางธรณีบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าภูเขาไฟพวกนี้มันยังแอคทีฟ ม, มันยังมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างอยู่อืซึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหมันเต็มไปด้วยความแบบเป็นดาวานะความร้อนรุ่มและหา ย, ยนะเป็นนรกอะอนะฮะดังนั้นการจะไปอยู่บนดาวศุกร์ผมก็ต้องอาศัย ความรู้ Planet Engineering ที่แบบ a d v a านซมากๆต้องดึงเข้ามาในออกไซด์จากดาวสุขในบรรยากาศออกให้เยอะมากเพื่อให้เร e ยลเฮาส์เอฟ e ฟกต์มันลดลงแต่ถ้าเราดึงจากดาวสุขได้ผมว่าดึงจากโลกก่อนก็ดี <S <S นึกออกไหมฮะคือโลกตอนนี้ก็เริ่มร้อนมากแล้วนะทุกคนนี้ประเทศไทยร้อนแบบอือดึงความความร้อนจากดาวสุขออกแล้วก็กําจัดปรากฏการณ์ฝนกรดอะไรพวกนี้ถ้าได้ในอนาคตมันอาจจะพออยู่ได้ผมว่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีหนทางนะครับ ถามว่าในมันมีด้านดีไหมด้านน่ารักไหมดาวศุกร์เนี่ยมันมีหลุมอุกกาบาตต่างๆอยู่เยอะนะครับอุกกาบาตชนเนาะก็เป็นหลุมเป็นอะไรคแล้วเนื่องจากมันเป็นดาวเคราะห์วีนัสแห่งความรักเราก็จะตั้งชื่อหลุมต่างๆตามชื่อผู้หญิงที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์โลกเช่นหลุมคลีโอพัตราถือว่าเป็นชื่อจากบุคคลสําคัญต่างๆไปตั้งอย่างนี้ที่เป็นผู้หญิงนะหรือหลุมโมนาลิซา อะไรแบบนั้นนะมีหลุมอะไรอื่นๆก็ลองไปหาดูใช่นะมันก็จะมีเกณฑ์การตั้งชื่อหลุมตามดาวต่างๆแบบนี้อันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ดาวสุกเนี่ยการหมุนรอบตัวเองของมันเนี่ยนอกจากจะช้าแล้วนะยังกลับทิศกับชาวบ้านด้วยนะอเอาเป็นว่าชาวบ้านเขาหมุนอย่างเนี้ย<ร>ดาวสุกมัน <ไป S 1> หมุนอีกทางหนึ่งอะซึ่งมันถือว่ามันแปลกที่สุดในทั้งหมดไหมคะคนอื่นเขามีใครทวนเหมือนดาวสุกไหมมีดาวยูเรนะัสคือคื อ, คอ ชาวบ้านเขาหมุนกันอย่างเงี้ยดาวสุขเหมือนไปเต้นอยู่บนเวทีแล้วหมุนสว<บ>นชาวบ้านแต่ยูเรนัสเนี่ยเหมือนนอนแล้วกลิ้งออืแตกต่างแตกต่าง <c oughs> แล้วเขาก็เชื่อกันว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่อย่างดาวสุขเนี่ยอาจจะโดนหรือดาวยูเรนัสเนี่ยนะที่มันหมุนผิดปกติเนี่ยมันโดนใครสักคนไปชนเข้าในอดีตมันเลย <c oughs> มันเลยหมุนเพี้ยนไปขนาดนั้นหรือเปล่า <c oughs> แต่เรื่องนี้ก็ ก็มีการสร้างแบบจําลองกันอยู่นะครับ อ, อันนี้ก็แปลกประหลาดดีชาวบ้านเขาบุนอย่างหนึ่งดาวสุบุนอีกอย่างหนึ่ง อ, อะไรแบบนั้นค่ะทีนี้ฟังอยากจะรู้เพิ่มเติมว่ามเมื่อกี้เราคุยกันว่าเออมันก็มีความพยายามที่เอาไปศึกษานะดาวสุแต่ว่าในเมื่อเราไม่ได้อยากจะไปอยู่เราก่อไม่ได้จะเอามันเป็นบ้านในอนาคตแล้ววันนี้มนุษย์เราจะศึกษาดาวสุไปแล้ว<อ>เพื่ออะไระจริงๆความรู้ต่างๆในระบบสุริยะเนี่ย เราพยายามศึกษาความรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่างๆนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเราอยากทําความเข้าใจบ้านของเราก่อนอันนี้สาเหตุที่1 น, นะเราอยากรู้ว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีธรรมชาติความเป็นมาอย่างไรเกิดมาได้ยังไงความเข้าใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเข้าใจระบบสุริยะดีขึ้นนะครับข้อสองคือดาวสุกเนี่ยในเมื่อมันมีความเป็นมวลกับขนาดใกล้เคียงกับโลกแล้วมันก็เป็นพื้นที่เป็นเห็น โลกของเราก็เรียกดาวเคราะห์หิน Terrestrial Planet <ะ>ซึ่ง Terrestrial Planet เนี่ยลลทุกวันนี้เนี่ยเราก็รู้จักแค่พุทธสุกโลกอังคารเท่านั้นเองนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็น Giant Planet ละดังนั้นการทําความเข้าใจดาวสุกเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการทําความเข้าใจโลกของเราใน e อีเวอร์ชั่นหนึ่งหรืออาจจะกล่าวได้ว่าถ้าในอนาคตเราจําเป็นจะต้องศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีความเป็นดาวเคราะห์หินเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเราศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ก็เป็นไปได้ที่เราจะเห็นดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายๆกับดาวสุกบ้างดาวพุธบ้างดาวอังคารบ้างโลกบ้างอะไรบ้างเนื้อไหมฮะดังนั้นการศึกษาดาวศุขจริงๆไม่ใช่แค่ดาวศุกแต่เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะให้ดีมันเป็นตัวอย่างอันดีที่เราจะใช้มันในการทําความเข้าใจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอื่นๆที่เราเจอนั่นเองนะฮะแล้วอย่างที่บอกความรู้เกี่ยวกับบรรยากาศของดาวสุขที่มันเป็น greenhouse effect แบบรุนแรงมากเนี่ย มันนำมาซึ่งการทำความเข้าใจแบบจำลองกรีนเฮาส์เอฟเฟกบนโลกว่าในอนาคตถ้าถ้าความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกมันมากมายมหาศาลขึ้นมาจริงๆมันอาจจะเป็นแบบดาวสุกได้หรือไม่อย่างไรตรงนี้มันช่วยเป็นช่วยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ช่วยยืนยันนะฮะให้กับนักวิชินักวิทยาศาสตร์ด้านนี้ด้วยครับค่ะแล้วในอนาคตถ้าอยากจะศึกษาดาวสุก ถ้าบอกว่าการเอายาลงไปจออุปกรณ์ต่างๆมันก็พังอะไรเงี้ยเจอลผลกรดบ้างเจออุณหภูมิมั้งเออแล้วเขาจะศึกษายัางไงกันต่อได้คะ่ะตรงเนี้ยผมว่าเป็นคําถามที่ดีเลยคือในการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์เกี่ยวกับอวกาศเนี่ยมันเจอปัญหากันหมดอมเอาแค่ส่งดาวเทียมหรือกล้องโทรทัศน์ออกไปนอกโลกเราเนี่ยมันเจอผลต่างอุณหภูมิความดันที่ต่ําเจอรังสีคอสมิกเจออะไรพวกนี้เจอเศษอุกกาบาตพุ่งชนด้วยความเร็วสูงพวกนี้ มันเป็นสิ่งที่ทําให้วิศวกรด้านอวกาศเนี่ยนะครับเขาต้องออกแบบให้มันทนให้ได้ถ้าเขาจะต้องส่งยานลงไปศึกษาผิวดาวสุบอีกครั้งในอนาคตพวกนี้ใช่ถามว่าทำยังไงตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของวิศวกร ท, ที่ต้องพยายามไปแก้ปัญหาได้ดาวเคราะห์อื่นๆก็มีปัญหาแบบนี้น ะ, ะอาจจะไม่ใช่เรื่องของอุณหภูมิกับเรื่องฝนกรด อ, อย่างยานอวกาศชื่อจูโนตอนนี้เขาไปศึกษาดาวพฤหัสอยู่ ก็เจอความท้าทายเหมือนกันเพราะดาวพฤหัสเนี่ย <_ pepp ant> มันมีสนามแม่เหล็กที่รุนแรงมากรุนแรงซะจนแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ป้องกันดีๆพังอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นผมมองว่าวิศวกรรมด้านอวกาศนอกจากจะทําให้เราเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติของดาวเคราะห์และอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมันทําให้องค์ความรู้เชิงวิ ศ, ศวกรรมเนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากเพราะมันแก้ปัญหาที่ เหนือล้ำไปกว่าปัญหาที่เราเจอบนโลกมากๆนะครับคือวิศวกรด้านอาวกาศเนี่ยก็จะต้องพยายามแก้ปัญหาขั้นขั้นสูงขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่มนุษยชาติจะไปเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไรในอนาคตนะน่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนกับว่าข้อจำกัดหรือว่าอุปสรรค ที่เราเจอเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนวิวัฒนาการของการศึกษามันไปข้างหน้าขึ้ใช่เราเก่งขึ้ น, นทําให้วิศวกรเก่งขึ้นดาวสุขอาจจะไม่ใช่ฝาแฝดที่น่ารักน่าไปอยู่ขนาดนั้นแต่ว่าโอเคถ้าฟังจากเมื่อกี้ก็คือมันทําให้เราเข้าใจแล้วก็เห็นภาพอนาคตที่ไม่ดีนะักถ้าเกิดว่าเออเราไม่สามารถเหมือนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในในโลกได้นะคะก็เห็นภาพอนาคตที่หายนะพอสมควรเกิดขึ้นเนาะเป็นเหมือน เคสตั๊ดดี้ให้คนบนโลกได้มองเห็นด้วยน ะ, ะใช่ครับเคก็ฝากติดตามนะคะใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ของเราได้นะคะตอนใหม่ๆใครอยากไม่พลาดนะคะก็ต้องกด Subscribe YouTube channel ของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามฟังพวกเราได้นะคะในทุกๆ Podcast Player เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for your ears